จะด้วยเรียกว่าโดยจังหวะเหมือนกันบังเอิญโดยความบังเอิญเธรรมะจัดสรรได้มีโอกาสที่จะไปปรึกษาอท่านพระเดชพระคุณอาจารย์พระผมคุณาพรเนี่ยพระธรรมปิฎกท่านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คําแนะนําแล้วก็บอกให้เราเอเป็นกําลังใจให้เราที่ที่ที่เราจะทําเรื่องนี้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 แกนนำโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศยี่สิบสี่รอบด้วยกันนะเยอะมากอะตั้งพันกว่าคนก็เราก็เติบโตกันมาก็เห็นว่า ม, มันก็เป็นเรื่องที่ที่จำเป็นที่ที่เราต้องอมีเครือข่ายด้วยถ้าหากเราทำเราอยู่โดดโดดเนี่ยหันไปพูดอะไรกับใครไม่รู้เรื่องเลยก็ <c oughs> จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนัอยู่บละละนโลกนี้เอเลี่ยนไม่ได้นะะเราก็ต้อง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 เอาซะหน่อยนะคะทางพระมหาวิชาเนียก็เห็นด้วยนะฮแล้วก็แต่ว่ามันต้องมีหลักสูตรมันต้องมีหลักสูตรที่ฝึกครูก่อนนะคะก็เชื่อว่าน่าจะทำได้นะะก็เลยรบกวนหลวงพ่อว่าเราทดลองทำหลักสูตรนี้ดูเดี๋ยวก็จะมีหนูทดลองรุ่นต่อไปคือ <laughs> ครูปฐมห้าสิบคนนะคะ ให้หลวงพ่อได้ทดลองหลักสูตรอีกนี่ครูจริงๆเลยแต่นี้ครูจริงๆนะคะแล้วก็ครูมัธยมอีกรอบหนึ่ง ค, ครูอนุบาล น, นี่ก็อาจจะเป็นรุ่นต่อไปนะคะนั้นนี้น่งก็ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ใครถึงปรมัศนแล้วก็ช่วยกรุลนามเป็นกําลังเสริมในการฝึกครู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 ค่อยบรรลุจริงเหรอฉั้นคิดว่าไม่ใช่นะนั้นไปชื่อจี้มานี่ก็เห็นธรรมอาจารย์เจ้างเหยียนท่านก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านถนึงมาทําประโยชน์ให้คนอื่นได้มาศาลถ้าท่านไม่บรรลุธรรมคงไม่ได้นะฮก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางนะคะถ้าท่านไหนสนใจที่จะมาร่วมเแจวเรือลํานี้ด้วยก็ขออเอ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 อันนั้นมันนัดไปนานมากแล้วเลื่อนไม่ได้แล้วก็เราก็เป็นประธานด้วยก็จาเป็นในในบางวันเรากา็ช่วยคอยดูแลเรื่องของคือเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันงมันยังใหม่อยู่แล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องคอยดูบ้างนะฮะเรื่องสถานที่เรื่องวิธีการดำเนินการต่างๆก็เลยต้อง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 ะจะต้องขนสัมภสัต์ทั้งหลายขึ้นฝังซะก่อนแล้วตัวเองเค่อยขึ้นที่หลังเนี่ยแกบพัฒนตัต้งขออสังเกตว่าเอไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะไปพร้อมๆกันนะค <c oughs> ื่อนนี้มาเราก็ฟังตามที่เขาให้คอนเซปตมามหายานคือเป็นอย่างนั้นสำหรับเทรวาดก็คือการที่ภัยเรือขึ้นฝังแล้วก็ไปแล้วไปเลยไม่กลับมารับพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแตคง่ความจริงคาว่ามหายานเนะี่ย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 เข้าใจคําว่าสลับก็บเก็บกดได้บ้างแล้วแต่ในสมัยก่อนเราสลับกันมาทั้งอดีตเออทั้งสมถะทั้งวิปัสนาสลับกันมาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสมถะสมถะนี่หมายความว่าบังคับออกอะ่ะมึงไม่ออกก็ต้องออกนี <laughs> ่เราเราทำสมาธิได้สูงกว่าใช่ไหมเราก็บังคับออกแต่บางอย่างมันไม่พร้อมที่จะออกอัตตาของเราเร า, เาก็เก็บได้เอาไว้เขาเรียกเก็บกดแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถะวิปัสนาเลยภาว ะ, า ะ, าะการเก็บกดก็เป็นอันตราย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 ถึงเพียนขนาดไหนนะถ้าหากว่ายโยนิสูงมนุิการไม่พอนะก็จะยากอยู่เหมือนกันต้องมาคู่กันคำว่ายโยนิสูงมนุษการตัวอย่างที่จันบนพัฒนคือดูละเอียดแล้วละเอียดอีกอีกแล้วอีนะกระทั่งว่าอะไรกระทบไปถึงกระทบนั้นละเอียดเข้าไปปั๊บมันจะไปเจอหลังมันเลยทีนี้เจอหลังของอัตจารณนะ์ไปกระทบใกล้เหมือนใกล้เข้าไปนี่ละเอียดก็จะใกล้ใกล้รังมารเข้าไปทันทีเพางั้นเลยพอไปกรทบถึงตัวละเอียดปั๊บเขขวางทันทีเลยอ่าเพราะฉะนั้